ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริศทเรื่องกรรมเก่าของพระโมคคัลลานี่บรรดาท่านพุทธบริศททั้งหลายจะเห็นว่าท่านที่มีบุญใหญ่คือพระมหาโมคคัลลานะเป็นถึงอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาวกฝ่ายซ้ายที่มีฤทธิ์มากไม่น่าจะถูกคนฆ่าตายนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเรื่องกดของกรรมที่ท่านทั้งหลายชอบบ่นกันบอกว่าถ้าบุญทําทานมามากทําไมบุญที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าทําดี จะได้รับผลดีแต่ว่าพวกเรานี้กลับได้รับผลร้ายแต่คิดอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราวของกฎของกรรมเก่าๆที่เล่าเล่าเข้าไว้มาสู่กันฟังเอาเข้ามาคิดจงคิดว่าชาตินี้เราไม่ได้ทําแต่ว่าชาติก่อนๆเราอาจจะทําก็ได้ <c oughs> เราเองก็ทราบไม่ได้เหมือนกันว่ากฎของกรรมเก่าๆเราทําอะไรไว้บ้างแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณเออการระลึกชาติหวนหลังได้มันก็เป็นของไม่ยาก การบําเพ็ญปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดปรากฏนี้ความจริงมันก็ไม่ยากเหมือนกันทําไมจึงกล่าวว่าไม่ยากแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องปุพเพสันนิบาตเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลัง และมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าเรียนหนังสือชั้นประถมเท่านั้นเองยังไม่ใช่ใหญ่โตโมโหฬารอะไรนักแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติพวกนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังกันในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐานดีกว่าถ้ามีเวลาจะอธิบายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง <c oughs> ว่าการที่จะได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณระลึกชาติได้นั้นเค้าทํากันยังไงเอาไว้ฟังกันในเรื่องของภัตกรรมฐานนี่เราคุยกันเรื่องของพระสูตรเล่านิทานสู่กันฟังแต่เป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเล่าโกหกกันเล่นเว้นแต่ว่าไปหยิบเอาตัวนิทานมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายทนหน้าไม่ได้ ในเรื่องขององค์สมเด็จไตรจอมไตรพระองค์ก็ทรงรับครองอยู่แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเชิญเข้ามาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามฉะนั้นขอบัณฑิตทั้งหลายที่ทรงความเป็นบัณฑิตประเภทไหนก็ช่างแต่อยากจะรู้ความจริงเรื่องกฎของกรรมเก่าๆ <c oughs> ก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้เรื่องได้ไม่ยากไม่ลําบากอะไรเอาตอนนี้ไปมาคุยกันถึงเรื่องพระมหาโมคคัลลานะในสมัยนั้นพระองค์สมเด็จพระบิชิตตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ได้พระมหาบุตรานและพระสารีบุตรมาเป็นคู่อัครสาวกซ้ายขวาอัครแปลว่าผู้เลิศพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาชั้นเลิศเกิดเสิดไม่มีใครเสมอเหมือนนอกจากพระพุทธเจ้าพระมหาบุตรานะก็เช่นเดียวกันเรื่องการมีฤทธิ์แล้วใครไม่ยิ่งไปกว่าพระมหาบุตรานะ <c oughs> ท่านยกย่องว่าเป็นผู้เลิศเรื่องมีฤทธิ์เนื่องใสความมีฤทธิ์ของพระมหาบุคคลาณะท่านเป็นพระขยันเวลากลางคืนเมื่อจะไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวเมืองนรกบ้างไปพบเทวดาก็ดีไปพบพรหมก็ดีไปพบสัตว์นรกเปรตอสูรกายก็ตาม <c oughs> ไก่ก็ถามถึงประวัติเดิมว่าเกิดที่ไหนใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องทําความดีทําความชั่วอะไรถึงมาเกิดในแดนนี้เมื่อท่านทราบแล้วก็มาถามองค์สมเด็จพระชินสีห์ให้ประกาศแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อองค์สมเด็จพระสงฆ์ทราบด้วยอํานาจพระพุทธิญาณว่าเรื่องนี้พระโมคคัลลาไม่ได้กุกขึ้น เรียกว่าไม่ได้ข่าวขึ้นเฉยๆพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับรองทราบทิ้งก็รับรองและประกาศให้เขาทราบและในสถานที่ใดที่เป็นยากลําบากคนเจริญศรัทธาไม่พอดีพระอื่นมีความสามารถไม่พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระมหาโมคคัลลานะไป <c oughs> พระไปหามกฬานะไปถึงแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆด้วยความชํานาญในการแสดงฤทธิ์เป็นการน้อมจิตให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อถือเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วองค์สมเด็จพระพุทธกวินก็ทรงเสด็จตามไปที่หลังตอนนี้พระพุทธเจ้าเทศน์ธรรมโปรดบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันบรรลุมรรคผล เรื่องพระมหาโมคคัลลานะมีความสามารถเป็นอัจฉริยชลียบุคคลเลื่อยกว่าบุคคลอื่นแม้แต่พวกเถระฐีทั้งหลายก็เศร้าส้อยหงอยใจบรรดาบริษัทบริวารของเถระฐีทั้งหลายพากันมาเคารพในพระพุทธเจ้ามากสร้างความยากสร้างความลําบากให้เกิดแก่เถระฐี แต่เขาทั้งหลายเหล่านี้มีความสามารถไม่พอและก็ดีไม่จริงเป็นเหตุให้บริศักดิ์ชายหญิงของเขามาติดพระพุทธเจ้ากันแทบเกือบหมดเขาจึงได้พากันพิจารณาว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่มีคนนับถือมากมีลาภสการะมากก็เพราะอาศัยพระมุกคลาเป็นกําลังสําคัญ เกี่ยวได้เที่ยวเมืองนรกบ้างเมืองสวรรค์บ้างปลูกใจประชาชนให้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระพุทธสรพลบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุเขาจึงคิดกันต่อไปว่าถ้าเราจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์คือพระพุทธเจ้าทำลายไม่ได้แน่เพราะคิดทำลายมาหลายวาระแล้วเคยใช้นางจินตมานวีกา <c oughs> แกล้งทําเป็นคนท้องประกาศให้คนทราบว่าพระพุทธเจ้าทําให้ท้องแต่หนูจังไรก็ไปกัดเอาเชือกที่ผูกไม้ที่แกล้งทําเป็นคนท้องให้ขาดลงมาเป็นเหตุให้นางจินตมาวรรณิกาได้รับโทษลงอเวจีทั้งเป็นแล้วก็พระเทวทัตใน <c oughs> หาทางแกร่งแกร่งพระพุทธเจ้าสั่งนายกำหมังท่านโนยิงบ้างปล่อยช้างนาลากิรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินให้ทับบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอันตรายมีการที่คิดจะฆ่าองค์สมเด็จพระอาจารย์ไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของทําได้ยาก แต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าตัดแขนตัดขาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จได้แล้วองค์สมเด็จพระอาทิตย์แก้วก็จะต้องเส้าไปแขนขาสําคัญขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คือพระโมคคัลลาที่มีฤทธิ์มากแล้วก็ปลุกศัตรูศรัทธาคนได้ดีบรรดากลุ่มเดรัจฉีทั้งหลายแตแต พร้อมใจกันด้วยความจริงเค้าประกาศว่าเค้าเป็นพระอรหันต์แต่กลับมีอารมณ์กิจคิดชิษฐยาอิจาพระพุทธเจ้าคิดเจอข้าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เค้าประกาศตนว่าเค้าเป็นคณาจารย์ใหญ่สอนนายบุคคลอื่นทําความดี แต่ว่าจิตใจของตัวนี้เลวซามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังมีความกตัญญูรู้ความดีของคนแต่ว่าบรรดาเดรัจฉีหน้าหน้ามนต์พวกนี้เขาไม่เคยเห็นความดีของพระพุทธเจ้าและพระมหาโมคคัลลานะมีเรื่องอย่างเดียวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ดีกว่าเขาเขาต้องคิดทำลาย ไม่ทราบหมายนามมีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีคณาจารย์ทั้งหลายตั้งสำนักกันขึ้นมาถ้าเห็นว่าสำนักอื่นเข้าดีกว่ามีอารมณ์อิจฉาหรือริษยามีหรือไม่ใครพบที่ไหนบ้างไหมมีหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบถ้าบังเอิญมีก็รู้สึกวรรณะสลดใจแต่เข้าใจว่าไม่มี <c oughs> แล้วก็ไม่แน่นักเพราะเคยพบท่านผู้เฒ่าท่านหนึ่งท่านตั้งสำนักสมถะวิปัสสนาของท่านขึ้นมาปรากฏว่าคนอื่นเค้าตั้งทินหลังนี่ท่านเป็นพระเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าคนอื่นเค้าดีกว่าตนทนไม่ไหวแทนที่จะมีมุทุตาในพรหมวิหาร 4 กลับหาทางย่ํายีแข่งแกร่งด้วยการทั้งปวงเป็นที่น่าสงสารปรากฏว่าท่านบุญนี้เมื่อตายลงไปแล้วเวลาก่อนจะตายถูกทุกข์เวทนาครอบงำมากต้องทรนทุรายไร้สติสัพพัญญะตายแล้วลงอเวจีมหานรกกอดสงกรรมนี้ผ่านมาแล้วไม่นาน <c oughs> อีกความจริงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระบธิษฐมานทรงพระชนอยู่ก็มีตัวอย่างมากมายท่านบวชภายหลังมีตำรามากเรียนได้ครบเรียนจบเป็นมหาบัณฑิตแล้วก็เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่น่าจะประพฤติความชั่วแบบนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงท่านตั้งสำนักหลอกชายและหญิงเพื่อนำทรัพย์สินไปให้ท่านเท่านั้นลูกศิษย์ของท่านอาจจะดีได้แต่ว่าตัวของท่านเองลงอเวจีมหานรกที่พูดอย่างนี้ก็พูดตามสำนักของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง และพวกเรายกย่องกันว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐมีธิปปจุจญาณแจ่มใสสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้โดยที่พวกเราไม่ต้องถามเมื่อได้กล่าวขึ้นมาอย่างนั้นก็สร้างความแน่ใจว่าคงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจริยาของท่านผู้นั้นก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน นี่บรรดาเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฆ่าพระมหาบุคคลาณะแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรแต่พกรรมของเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นคือโจรที่รับประสา 500 ถูกฆ่าหมดพวกเดรัจฉีก็ถูกหลุดจากความดี กัณฑ์เทพมหามกัลลาถูกฆ่าในคราวนี้ความจริงท่านทราบก่อนก็มียานพิเศษแล้วเดี๋ยวจะมานั่งสงสัยกันว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นมียานขนาดนั้นทําไมไม่หนีพวกโจรที่เข้าไปปล้นฆ่าตนเองความจริงโจรมาล้อมแล้วคร 2 <c oughs> ครั้งท่านรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็ปรากฏว่า ท่านก็มาพิจารณาตัวเองเมื่อโจรเข้ามาล้อมครั้งที่ 3 คือรู้ตัว 2 ครั้งท่านเหาหนีไปครั้งที่ครคร 3 โจรเข้ามาล้อมใหม่ท่านก็มานั่งพิจารณาว่านี่มันเรื่องอะไรถอยหลังชาติเข้าไปด้วยอํานาจปุพเพนิวาสานุสสติญาณก็ทราบว่ากรรมเก่าของท่านที่ทําไว้แล้วในการก่อนเรื่องนี้องค์สมเด็จพระชินวรเคยเทศน์ให้พระฟัง <c oughs> พระพระท่านมีความสงสัยว่าพระมหาโมคคัลลานะนี่มีบุญใหญ่ทำไมจึงได้ถูกโจรทุบตายแต่ความจริงระหว่างที่โจรทุบท่านไม่ตายเขาทุบแล้วก็คิดว่าท่านตายกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวหมดเอาลากไปทิ้งไว้ที่กอไผ่เมื่อโจรไปแล้วท่านก็อธิษฐานจิตด้วยอํานาจของกําลังฤทธิ์ <c oughs> <c oughs> ประสายกระดูกทั้งหมดให้ติดกันแล้วก็เหาะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอลาเข้าสู่พระปรินิพพานณองค์สมเด็จพระวิชิตมังทรงอนุญาตแล้วจึงได้กราบลาองค์สมเด็จพระประทีปเจ้าไปนิพพานในที่สมควร <c oughs> เมื่อพระมหาโมคคัลลานะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงพาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนําอัฐิท้ายของมหาโมคคัลลานะบรรจุเข้าไว้ในสถูปให้เขาสร้างสถูปเป็นที่บรรจุกระดูกไว้สถูปแห่งกฐมมันก็บาดคว่ําคือทําดินดูนขึ้นมาเป็นโคก เป็นทันใดละคนจะได้ไม่เดินข้ามนั้นเองกล่าวก็คงกรรมมาถอยหลังไปประมาณพันชาติอันนี้พระโมกข์กันหลายก็ทราบทราบตอนโจรมาล้อมข้างหลังเพราะพระมหาโมคคัลลาเป็นลูกชายของพ่อแม่คือทั้งพ่อและแม่ตาบอดทั้งคู่ชมตัวโมคคัลลานะในเวลานั้น <c oughs> เป็นคนดีประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดาและมารดาเลี้ยงดูบิดามารดาได้ดีทุกประการเมื่อทํางานกลับมาแล้วก็ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนดีอย่างนี้หายากต่อมาท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าลูกชายลําบากจึงได้ช่วยแบ่งแบ่งเบาภาระ <c oughs> แต่ว่าพระมหามุกุลานะก็ไม่ก็คัดค้านไม่ย่านเลยหญิงที่นํามาดีไม่ดีเขาจะไม่รักพ่อไม่รักแม่ก็เป็นได้แต่ว่าวินทารมันดาทั้งสองนั้นท้ายก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจะหาคนที่มีตระกูลเสมอกันคือตําแหน่งของท่านก็เป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากจึงไม่ขอหญิงหน้าตระกูลอื่นเข้ามา <c oughs> ในตอนแรกๆแม่ลูกซัพไพคนดีก็ปรากฏว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของผัวเป็นอย่างดีแปลว่าพระมหาโมคคัลลานะถ้ามีความรักในพ่อในแม่ท่านมากเวลากลับมาจากทํางานแทนที่จะเข้าไปจู๋จี๋กับเมียก่อน แต่กลับเข้าไปจู๋จี๋กับพ่อแม่เสียก่อนเหตุนี้เองเป็นเหตุให้นางเมียไม่พอใจอื้อคิดอย่าฆ่าคนทั้งสองเสียเพียงได้หาบายด้วยประการทั้งปวงในที่สุดก็บอกกับพระมหาโมคคัลลานะว่าบิดามารดาของท่านเป็นคนใจร้ายหุงข้าวให้กินก็ไม่กิน แต่ความจริงเวลาที่ทําอาหารทําอาหารให้ผัวมีรสอร่อยแต่ทําอาหารให้แก่พ่อผัวแม่ผัวบางทีก็เค็มจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเกินไปพ่อผัวแม่ผัวกินไม่ไหวก็เลยไม่กินนางก็ฟ้องบอกว่านี่แหละอาหารมันเหมือนกันแต่ว่าท่านทั้งสองไม่ยอมกินท่านลูกชายก็ยังไม่ว่าอะไร ต่อมานางในก็ทําเอาเอาใหม่อีกทําอาหารโลดจัดในเมื่อท่านนางสอให้กินก็รอดไปเต็มบ้านเมื่อลูกชายกลับมาก็ฟ้องบอกว่านี่ท่านผู้เฒ่า <c oughs> 2 คนทําอาหารให้ในกินแล้วก็ราชของอยู่บนบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฉันปัดกวาดไม่ไหวเช็ดถูไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอลากลับบ้าน <c oughs> เมียสายที่จอมหนองครานอกตัญญูไม่รู้คุณคนทําให้พระโมคคัลลานะหน้ามนต์ที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณเป็นคนอกตัญญูไปเพราะการนั่งพูนนอนพูนของเมียสาวมันก็มีความสําคัญเหมือนกันนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังไว้แล้วก็คิดไว้ด้วย <c oughs> ว่าความดีที่เรามีอยู่เราจงอย่าเชื่อคนอื่นยังไงยังไงแล้วก็สอบสวนให้ดีซะก่อนเป็นเหตุให้พระมหาโมคคัลลานะคิดผิดในตอนนั้นก็อาศัยเมียออดอ้อนสนับสนุนหาทางแก่งแกร่งด้วยรายการทั้งปวงจนเห็นว่าบิดามารดาของตัวนี้เป็นคนไม่ดีวันหนึ่งคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ในป่า <c oughs> จึงได้บอกกวีดาและมนดาว่าญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งป่าทางโน้นเป็นญาติกันความจริงบิดามนดาก็รู้จักท่านสั่งให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมในเวลานี้ท่านก็เตรียมเควียนไว้แล้วจะให้บิดามนดาทั้งสองนั่งไปในเควียนท่านจะเป็นคนบังคับเควียนไปเมื่อท่านบิดาและมนดาทั้งสองได้ฟังก็เห็นใจ <c oughs> บ้านลูกชายของเรานี้เป็นคนดีจึงให้ลูกชายประคองบิดามารดาทั้งสองศีนั่งบังเกือนพอเข้าไปถึงป่าลึกท่านพระมหาโมกขลาคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ในป่าจึงได้บอกกับท่านบิดาว่าคุณพ่อช่วยมาจับเชือกบังคับวัวให้ที กระผมนี่กําลังปวดอุจจาระจะไปถ่ายอุจจาระท่านพ่อก็จับเชือกเอาไว้บังคับวัวให้เดินตรงถ้ามาหามกขลานะไปแล้วก็ทําเสียงดังเหมือนก็โจรจะเข้ามาปล้นท่านพ่อท่านแม่ทั้งหล่าทั้งคน 2 คนเมื่อได้ยินเสียงเออะวอยวายเข้าใจว่าโจรร้ายมาปล้น <c oughs> ห่วงลูกชายของตนคือมหาโมคคัลลานะผู้เป็นลูกชายท่านนั้นสอนญินทโรประกาศปล่อยบรรลูกเอ๋ยพ่อแม่ทั้ง 2 <c oughs> คนแก่แล้วปล่อยให้พ่อแม่ตายเถอะลูกยังมีความเป็นหนุ่มอยู่เอาตัวรอดหนีไปก่อนไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่นิรบรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจของบิดามารดาย่อมมีความสําคัญกับหมดถึงเพียงนี้ ยอมตายแทนลูกแต่ว่าลูกคนนี้สิบรรดาท่านพุทธบริษัทเอมกัลลาณเองที่พร้อมมาเป็นโจรเมื่อพ่อแม่พูดอย่างนั้นใจไม่ยักอ่อนพ่อบังอ่อนใช้ไม้ทุบพ่อและแม่ตายทั้งคู่เมื่อพ่อชมตระวะฆ่าพ่อและแม่ตายแล้วก็แจวอ้างกลับบ้าน องค์สมเด็จพระวิชิตมัยกล่าวว่าเขาก็ไม่มีความสุขเพราะกดกฎกติกรรมกับทํากับบิดามารดามาตายแล้วจากชาตินั้นก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกวันนี้คอไม่ดีแล้วมาตกอเวจีมหานรกจึงมีลาภกับ 1 พ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตพระสุรกายสัปปิริฉาน เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสรภังเฉพาะเป็นมนุษย์พันชาติพอดีต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมไตรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมไตรศาสดาเป็นสุเมธันดาบท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตบูชาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมุตตระเมื่อไปเวลไปท่านอยู่ในป่าในเมื่อรัตนาพระพุทธเจ้ามาถึงลำรางเล็กๆท่านก็ทอดกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เดินเมื่อมาสู่ธรรมาสน์ของท่านแล้วท่านก็ประกาศตนว่าตนหนาพระโพธิญาณ ก่อนนี้จะถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระอรหันต์มุตตระที่ได้เข้านิโรธสมาบัติพระอรหันต์ทั้งหมดเข้าภละสมาบัติสมาบัติทั้ง 2 ที่มีกําลังมากก็ดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่บําเพ็ญบุญศลมาออกจากสมาบัติทั้ง 2 ที่มีการคล่องในจิตใจของตนคือในความเป็นอยู่ ถ้าปรารถนาความร่ำรวยก็จะร่ำรวยสมความปรารถนาถ้าปรารถนาความสําเร็จมรรคผลก็จะสําเร็จมรรคผลสมความปรารถนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธทัสมาบัติแล้วก็รับพระกยาหารหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้พรแล้วก็ทรงพระยากรว่านับตั้งแต่นี้ไปอีก 91 กับ ท่านสมเถตนาบดจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดมในขณะนั้นเองท่านพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรทั้งสองท่านเป็นสาวกของสมเถตนาบดจึงได้เข้ามากราบองค์สมเด็จพระบรมสุกขทองค์หนึ่งบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอัครสาวกเบื้องขวา <c oughs> อีกองค์หนึ่งขอประกาศประกาศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอกาสาวกเบื้องซ้ายของพระสมณโคดมนี่เป็นอันว่าอาศัยบุญบารมีที่ติดตามกันมาอย่างนี้สิ้นเวลาถึง 91 กับแต่ความจริงมากกว่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยินกล่าวว่ามหาโมคคัลลานะชาตินี้มาพบเรา จึงได้กลายเป็นคนมีฤทธิ์มากเป็นอกาสาวกเบื้องซ้ายแต่ว่าโมคคัลลานะถึงแม้ว่าจะตายท่านก็ไปนิพพานไม่มีความทุกข์อะไรและพระองค์ทรงแสดงพระตรัยจึงได้ทรงประกแจงบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าพิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่า ประมาทในกรรมเล็กน้อยไว้จะไม่ให้ผลดูตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะเป็นสําคัญนี่ท่านเป็นอริยสงฆ์เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎของกรรมได้ขึ้นอยู่ว่ากรรมใดที่เราทําไว้แล้วถ้าไม่ผลในชาตินี้มันก็จะให้ผลในชาติหน้าต่อๆกันไป <c oughs> เย็นนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยบ่นบอกว่าทําบุญให้ทานแล้วก็มีความไม่สบายก็ฟังเรื่องราวของพระมหามุกคละนะแล้วใครก็โปรดทราบให้กดคุ้มกรรมเก่าของเรามันทําให้มากเพียงใดเราไม่ทราบฉะนั้นแต่กรรมใดมาเกิดขึ้นกับเราถ้าไม่เราได้รับความลำบากก็คิดว่าในใจว่าเราจะใช้หนี้มัน เณรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมนี้เราหนีไม่พ้นอาราธนาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโสมนัยกานี้เสียงไม่ดีมันแหบเครือก็ขอบวชไม่กินก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังไม่ชัดเจนด้วยช่วยอภัยแก่พระเธอเวลานี้มองดูเวลาก็จะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือ 1 นาที ยังไม่ก็ไม่มีก็ขอยุติเรื่องราวของพระมหามกขลานะในเรื่องบุพกรรมคือกรรมเก่าไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี <c oughs>